รำดับที่1คติธรรมก่อนฟังธรรมะชาดกแผ่นที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคําน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟังธรรมะชาดกแผ่นที่12ให้คติธรรมหัวข้อว่าวิสสาสะประมาญาติ ความคุ้นเคยไว้ใจกันเป็นญาติอย่างยิ่งอันนี้คือคติธรรมคือในชาดกมีหลายเรื่องอที่ผูกมิดสหายกันเพราะความคุ้นเคยถ้าว่าเราไม่คุ้นเคยกันถึงจะเป็นญาติกันมีแต่เอารัดเอาเปรียบกันมีแต่ใช้เลียดใช้เหลี่ยมมีแต่ใช้เรื่องความไม่ดีใส่กัน ถึงจะเป็นญาติพี่น้องออกมาจากท้องเดียวกันก็ไว้ใจกันไม่ได้แต่ถ้าว่าผู้ใดไม่ใช่ญาติแต่ว่ามีเมตตามีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้ออืออารีต่อกันถึงจะอยู่ห่างไกลกันกันั่นหละคือเป็นญาติอย่างยิ่งในหลักธรรมคำสอนของพุทธะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านไปอยู่ณสถานที่ใดให้พวกเรา จะช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ในเพื่อนมนุษย์ชาติด้วยกันถ้าว่าพวกเราช่วยสงเคราะห์ไว้ใจกันไม่ใช่ไม่ไม่ว่าแต่มนุษย์สัตว์ที่รัชาญเข้ามันกันถ้าเร า, เาความเอือ้อเฟื้อเอื้อาอารีต่อกันเราเมตตาเขาเราให้การสงเคราะห์เขาสัตว์ทั้งหลายเข้ามาอยู่กับเราเป็นมิตรเป็นสหายนั่นแหละอันนี้คือความ ไว้ใจกันเหมือนญาติอันสนิทเป็นญาติอย่างยิ่งพระนขอให้พวกเราทุกๆท่านไปอยู่นสถานที่ใดให้มีความเมตตาให้มีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันจะมีแต่ความสุขความเย็นใจเน้อคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานพระเนนทุกองค์ด้วยอำนาจคุณพระศีรัตน์ตรตยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธ ขอให้มาเกื้อกูลอุดหนุนอำนวยวยพรให้กับพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมข อ, ขอห้สมหวังดังปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเธิน